เมื่อสสี่ปีมั้งหลวงพ่อไปเจอหลวงพ่อคําเขียนสามสี่ปีแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีคนนิมนท่านเปเทศในกรุงเทพนี่แหละงานใหญ่ท่านก็เทศเรื่องให้มีสติเทศเสร็จแล้วคนจัดก็ไปต่อว่าท่านว่าทําไมไม่สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนีเรื่องทําไมไปสอนแต่เรื่องสติอะไรย่างนี้ ท่านก็หัวดรอ้อท่านก็บอกว่าเขาก็พูดถูกของเขาเนาะอยนี้เราก็ถูกอย่างของเราเนาะอย่งี้มีสติก็มีศีลนะมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาขาดสติตัวเดียวเนะมันขาดหมดเลยถ้ามีสติก็มีโอกาสพัฒนาศีล ส, สมาธิปัญญาขึ้นมาขาดสติตัวเดียวเนะี้ยจิตจะเป็นอกุศลแล ศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ต้องพูดถึงไม่มีหรอกเข็นพยายามฝึกให้มีสติให้มากพูดง่ายๆว่าคอยรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวเรื่ๆร่างกายเคลื่อนไหวเอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเอยรู้สึกคนไทยไปแปลคําว่าสัมปชัญญะว่าความรู้สึกตัวสติแปลว่าความระลึกได้ความระลึกได้มันก็ถูกหรอกนะแต่ความรู้สึกตัวนี่ไม่ค่อยตรงอะ สัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นนะเป็นการตีกรอบให้เราดูว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรแล้วไม่หลงไม่เผลอไม่ลืมการปฏิบัติ น, นั้นเสียอย่างเราควรทําสมถะด้วยอานาปนาสติรเงี้ยรู้ว่าเราควรทําอานาปนาสติก็ไม่ลืมมานาปนาสติคอยทําอยู่เรื่อยๆเนี่ยมีสัมปชัญญะเป็นตัวตีกรอบ หรือควรเจริญปัญญาด้วยจิตตานุปัสสนาะก็ไม่ลืมที่จะดูจิตใจของตัวเองนะนี่เราไปแปลว่าความรู้สึกตัวนะจริงมีสติขึ้นมานะความรู้สึกตัวเข้ามานะในความรู้สึกตัวที่แท้จริงเนี่ยประกอบด้วยองค์ธรรมจำนวนมากนะมีสติมีสมาธิที่ถูกต้องด้วยนะในความรู้สึกตัว งั้นพยายามรู้สึกตัวนะภาษาไทยลืมภาษาแขกก่อนพยายมรู้สึกตัวเรื่อยๆอย่าให้ใจลอยถ้าใจลอยก็อย่าให้ใจลอยนา น, นหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้แล้วพอจิตมันหนีไปแล้วรู้ไวๆรู้สึกจิตใจไม่กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ล่องลอยไปพอจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วก็ดูมันไปนสภาวะมีแต่ความเปลี่ยนแปลง ร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดินนั่งนอนเห็นมันทำงานไปเรื่อยตามรู้ตามดูมากเข้าสติจะยิ่งเข้มแข็งขึ้นค่อยๆฝึกไม่ยากอะไรหรอกมันยากตอนที่กว่าจะรู้สึกตัวเป็นกว่าจะตื่นคนในโลกที่ตื่นขึ้นมาเป็นมีน้อยคนในโลกมันหลับอยู่ตลอดเวลา ร่างกายตื่นนะแต่จิตมันหลับไม่รู้ตัวน้อยคนที่จะตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเปนเบื้องต้นมาฝึกให้ตื่นก่อนใจไหลไปหลับฝันแล้วใจฝันไปแล้วเคลิ้มไปแล้วหนีไปคิดแล้วนะรู้วัยวัยจิตใจก็กลับมาอยู่ที่ตัวเองถ้าจิตใจอยู่กันเนื้อก็ตัวแล้วก็เดินปัญญาต่อ การเดินปัญญาก็คือดูกายดูใจมันทำงานไปเรื่อยเห็นมันทำงานได้เองนะมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีแต่การทำงานเองไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะค่อยๆฝึกออกคนที่เข้าคอร์สนะที่ผ่านมาจะมีปัญหาอยู่สองสมามอันอันหนึ่งติดเพ่งมาก่อนติดสมถะพวกติดสมถะเนี่ยจะไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรกับใครแล้วกูจะเพ่งกูอย่างเงี้ยดีละ ลืมไปอย่างนะถ้าดีจริงเขคงพ้นทุกข์ไปแล้วล่ะนี่ยังไม่พ้นทุกข์เลยสมาธิเสื่อมเมื่อไหร่ก็โมโหมานั้นนะงั้นถ้าเราจิตติดเพ่งซึมไม่ได้เรื่องหรือเครียดเครียดแข็งแข็งตลอดนะไม่ได้เรื่องหรอกอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่า ม, มันดีแล้วนะอีกพวกหนึ่งพวกคิดมากวิเคราะห์ตลอด หลวงพ่อพูดอย่างนี้น่าจะหมายความว่าอย่างนี้ไม่ต้องแปลเลยนะที่หลวงพ่อพูดอ่ะไม่ต้องแปล อ, อีกแล้วนะไม่ต้องมาแปลต่อยนะเละทุกทีอ่ะบอกรู้สึกตัวไม่ต้องแปลแล้วรู้สึกไว้รู้สึกไ ป, กไปแค่นี้จบแ ล, แล้วไม่ต้องมาวิเคราะห์แล้วรู้สึกตัวเป็นยังไทงไทํำยังไงถึงจะรู้สึกตัวอะไรเรียกว่าตัวก็พระพุทธเจ้าว่าไม่มีตัวแนละ้วทําไมไมันรู้สึกตัวอ้าวไปใหญ่เลยอีกกี่ชาติที่ไม่รู้เรื่องหรอกเนาะ หรือพี่เลี้ยงพูดอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้อนะไรคิดอย่างเดียวเลยนะหรือศึกษาเปรียบเทียบเรื่องศึกษาเปรียบเทียบเนี่ยถ้าละได้ซก็ดีถ้าฟังที่หลวงพ่อสอนแล้วนะเอาไปลองทําดูก่อนทําแล้วมันไม่เห็นผลนะก็เลิกไปเลยไปเรียนอย่างอื่นที่พอใจต่อแต่ถ้าเริ่มเดิยนกับหลวงพ่อก็อย่าไปเพิ่งไปเรียนอันอื่นให้มันเด็ดเดี่ยวลงไป คนที่ภาวนาเป็นเนี่ยไม่ใช่พวกที่วิ่งหลายสำนักเลยนะคนที่ภาวนาเป็นที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาภาวนาใช้ได้เลยนะรู้แต่พวกเด็ดเดี่ยวทําจริงไม่ใช่ศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อยๆนะงั้นถ้าใครมีนิสัยศึกษาเปรียบเทียบนะก็ไม่ต้องมาเรียนกับหลวงพ่อก็ได้หรอกไม่มีประโยชน์อะไรเสียเวลาวันวันเอาแต่นั่งคิดการศึกษาเปรียบเทียบเป็นเรื่องคิดเอา แทนที่จะรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจแล้วเวลาสงสัยนะให้ไปฟังซีเดียวาไม่ต้องไปถามใครวิ่งไปถามที่โน้นทีที่นี่ทีนั่นะเละทุกทีเลยบางคนมาบอกเลยว่าเนี่ยที่นี่สอนเหมือนหลวงพ่อเปียบเลยเราดูมันเหมือนกันชาติไหนก็ไม่รู้เนาะภาษาเหมือนกันนะแต่สภาวะไม่เหมือนกัน เราไม่มีหูมีตาที่จะสังเกตนะเหมือนกันเนี่ยพูดบอกให้รู้สึกตัวให้ดูจิตใครก็พูดได้คำว่ารู้สึกตัวคาว่าดูจิตมไปดูอะไรก็ไม่รู้ะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไปเพ่งจิตอยู่ก็ไม่รู้อย่างนะี้งั้นเรื่องศึกษาเปรียบเทียบนะเอาไว้ที่หลังก็แล้วกันหนะลวงพ่อนะก่อนที่จะเจอหลวงปู ด, ดูลหลวงพ่อนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กทำอนาปนสติอยู่ยี่สิปี ระหว่างนั้นก็อ่านพระใจปิดกหาหาทางที่จะทําต่อให้มันพัฒนารู้สึกเลยทําสมาธิอยู่มัเห็นมันจะพัฒนาเลยนะสงบแล้วก็ฟุงฟ้งฟุ้งแล้วก็สงบวนอยู่แค่นี้เองอย่างดีตอนเด็กๆ เ, กเกที่ยวออกไปเล่นข้างนอกด้วยะไปดูโน้นดูนี่นะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ละ่ะเทวดาเป็นอย่างนี้อย่างโน้อนอย่างนี้นะไปเที่ยวที่โน้นที่นี่อะไรอย่างนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้จิตหลอนก็ได้หาทาง ที่ปฏิบัติต่ออ่านพระไตรปิฎกอ่านอะไรเนะี่ยบุญนะว่าไม่ไปอ่านอะไรเล่เทมาไม่ไปอ่านคําสอนอื่นที่เกินพระไตรปิฎกออกไปอ่านแค่พระพระไตรปิฎกเลยไม่รู้เป็นอะไรอันอื่นอ่านแล้วไม่สาใจไม่ถึงอกถึงใจนะเชจนเจอหลวงปูดูลนะหลวงปูดูลบอกให้ดูจิตหลวงพูดูลบอกให้ดูจิตนั้นดูตลอดเลยไม่วอกแวกไปที่อื่นเลย ดูจิตไม่เลิกดูอยู่เจ็ดเดือนนะหลวงปูร่รับรองแล้วใช้ได้ละดูเป็นละพึ่งตัวเองได้แล้วไม่ต้องพึ่งท่านละอันนี้ถึงออกไปดูครูบาอาจารย์อื่นๆครูบาอาจารย์สายอื่นๆออกไปดูเราพอรู้หลักแล้วว่าที่ถูกเป็นไงเราออกไปดูก็พบว่าที่สอนสอนกันนะครูบาอาจารย์ที่ดีก็มีนะในสายอื่นๆไม่เฉพาะในสายวัดป่าหรอก ครูบาอาจารย์ดีๆสายอื่นก็มีที่เหลวไหลก็มีวัดป่าที่เหลวไหลก็มีไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่ดีหมดเจอครูบาจารย์ดีๆหลายองค์บางองค์ก็แปลกๆอนะย่างหลวงพ่อเกษมเขมโกนะก็เก่งนะวานาดีครูบาพรหมจักนี่ก็เคยไปกราบท่านนะหลายทีสองทีสามทีหลวงพ่อนาดีอ่นะาพินยาเยอะด้วย ใครชอบกับพินิจอรโอ้ยปลื้มเลยชอบอย่างกรว่าปพระประจักษนี่เหยียบเหยียบหินเหยียบรอยเท้าไว้ได้ในก้อนหินเหยียบได้คนไปถามท่านนะว่าจริงหรือพระพุทธบาทนะพระบาทมีจริงหรือใครมีไปเหยียบหินได้นะท่านจะเหยียบไว้ข่ากุฏิท่านนะหัวตางจงกลมนั่นนะเหยียบแล้วไม่พูดสักคาเลยนะเนาะเงียบค่อยไปเห็นเอาเอง เนี่ยออกไปนะบางทีไปไปรู้ไปเห็นอะไรเราก็ถ้าเราหลักไม่แม่นนะมันตะเลิดเอาแล้ววาต้องฝึกเหยียบก้อนหินบ้างแล้ววะเออไปใหญ่เลยคราวนี้ะเหยียบไปเหยียบมาโห้หินไม่เป็นรอยเท้าเป็นรอยนี่เลิดนอกรู้นอกถังนั้นหลักให้แม่นซะก่อนนะพอนะให้เป็นแล้วก่อนแล้วค่อยไปศึกษาเปรียบเทียบทีหลังถ้าไม่งั้นมั่วทําไม่ได้จริงหรอก เอาใครจะส่งกันบ้านเชิญให้พวกอยู่วัดก่อ น, ก, นการนมัสการค่ะวันวันแรกที่ว่าเห็นสัน ต, ติอาคาศแล้วหลวงพ่อบอกให้ไปดูพุโทโธเป็นแบ็กกราวไปสังเกตว่าหลังจากที่ก็ยังถลำไปดูนิดหน่อยสัน ต, ติเสร็จ พอพุโทโธแ้วก่าวเขากลับขึ้นมารู้สึกตัวรู้สึกว่าหลวงพ่อจะกลัวว่าหนูจะถะลําลงไปไปไปอะไรอ่ะไปมองมันนะคะแล้วก็จะคราวนี้มันจะแปลกตรงที่ว่าตัวสัน ต, ติเขาก็ทำงานอยู่กายเขาก็ยังทำพุโทโธเขาก็ตัวหนึ่งแต่ว่าทุกทุกตัวนะคะมันไม่เกี่ยวกัน เขาต่<อ>งา ง, <อ>งคนต่นางทำงานในยามที่สติมีกำลังที่รู้สึกตัวขึ้นมาจริงๆสันติเขาจะไม่เห็นชัดแต่ในยามที่ไหลลงไปมากๆตัวนี้จะเห็นจะเห็นมากแต่ก็มีฟุ้งซ่านด้วยค่ะมีมีทุกลุกแบบเพราะว่าทุกสภาวะธรรมเขาทำหน้าที่ของเขาเองเราไปสังเกตเอาเองค่ะสภาวะธรรมทั้งหลายนะต่างคนต่างทำหน้าที่มีตัวเดียวคือจิตเนี่ยชอบไปแทรกแซงคนอื่น นะงันที่เราต้องคอยพูดโทรคอยรู้สึกตัวเพื่อไม่ให้จิมไปแทรกแซงคนอื่นนะเท่านั้นแหละมีแค่นี้ละค่ะแค่นี้เหลือเฟือแล้วไปทำบ่อยๆนะเห็นชัดก็ได้เห็นไม่ชัดก็ช่างหน้าที่ของเราคือปฏิบัติดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ใจมันกล้าที่จะมองว่าอะไรก็ได้ไปทำเอานะไปดูต่อสาธุค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะมมีโทสะที่มันมัวมัวค่ะหลวงพ่อแล้วก็พยายามหายใจแรงๆสู้กับมันโอ้ะะไม่เป็นกลางไลยมัวก็ได้ต้องใจถึงนะแต่กว่าหลวงพ่อใจใจถึงเนะี่ยบวชมาสองปีแล้ว <c oughs> มัวนะแต่ก่อนโอสู้ตายนะมยอมมึงหรอกเรื่องอะไรให้มึงขี่คอสู้จนวันหนึ่งนะ จิตนะสว่างโล่งสบายหมดเลยอยู่อยู่มัวขึ้นมาอีกนะดูก็ไม่หายเล้แปลกรอบนี่ดูไม่หายทําไงก็ไม่หายนะสุดท้ายมัวก็มัววะมีวะด้วยนะหลวงพ่อนักเลงมัวก็มัววะรู้ว่าจิตกําลังมัวโอ้พอรู้ว่าจิตมัวเราไม่ได้มัวนี่เราไปมั่วกับมันเองะจิตถอยออกไปุ๊บเอ้ไอ้มัวก็มัวสังหากนะจิตไม่เคยมัวเลย ต้องต้องใจถึงไอ้นี่ไม่ใช่ใจถึงนะฮะนี่โทสะถนะามนมาสักงานค่ะหลวงพ่อคือตอนที่ส่งกันบ้านวันแรกค่ะบอกว่าเวลานั่งสมาธิแล้วมันฟุ้งอะค่ะคือเวลานั่งช่วงเดินเนี่พอรู้ตัวค่ะแล้หลวงพ่อให้ไปขยับมือจรนี้ตอนที่ไปขยับมือเนี่ยมันรู้สึกเครียดมันไปเหมือนตั้งใจดูอะค่ะมันก็เลยเครียดแล้วตอนนั้นก็เลยปล่อยเลยแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วก็ช่วงหลังก็เลยรู้สึกว่า คือดูมันไปมันจะอะไรจะเกิดก็เกิดได้แต่มันจะได้พักหนึ่งนะเดี๋ยวพอพลังอ่อนไปไมันดูไม่รู้เรื่องอยังไงเราก็ทิ้งการทําในรูปแบบไม่ได้หรอกค่ะคือหนูไม่แน่ใจตรงที่เวลานหนูขยับมือเนี่ยค่ะตอนนี้ขยับอยู่ไหมล่ะไหมยขยับอยู่แล้วอะ่ะค่ะเนี่ยตอนนี้ไปยักหน้าเห็นไหมร่างกายมันกระดุกกระดิกเบาๆแค่นั้นแค่รู้สึกมันก็ดูกระดิกอยู่นั่นเอง คือถ้านี่ความรู้สึกเป็นไปในกายแล้วนะอย่าไปจ้องค่ะมาวันแรกนี่ฟุง้งซ่านแล้วก็มีก้อนแข็งๆนะคะหลวงพ่อให้ไปสวดมนต์สวดมนต์วันแรกก็โล่งเบาขึ้นเยอะเลยคะ่ะแล้วก็ปฏิบัติได้ดีขึ้ น, นะคะ่ะทำอีกนะกลับบ้านก็สวดมนต์เรื่อยๆหละไม่จำเป็นต้องสวดวันละรอบหรอกมีเวลาว่างๆก็นึกสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะใจจะได้มีแรง ขรารวาสเนี่ยจุดอ่อนนะสมาธิไม่พอวันๆมีแต่เรื่องฟุง้งซ่านงั้นเราอยู่กับบทสวดมนต์ไปทั้งวันได้ยิ่งดีจนะดได้มีแรงเอาต่อไปใครจำเป็นจะคุยกับหลวงพ่อขอจำเป็นนะไม่ใช่ขออยากบางคนจำเป็นทุกครั้งที่เจอกราบน้ำมัศสการครับคือผมปฏิบัติไปแล้วในรูปแบบก็ทำ ไม่ขาดคือมีครั้งหนึ่งผมนอนอยู่รู้สึกว่ามันมีโมหะมามีโมหะมาบอกว่าปฏิบัติทาไมมันบอกว่าคนอื่นไม่เห็นปฏิบัติเลยอืมไม่ใช่โมหะมาหรอกนั่นมานมาแล้วพอดีรู้สึกว่าสติ ม, มันมาเกิดมาพอดีครับสติเกิดมาพอดีรู้สึกว่าตัวสสานสะเทือนมากเลยครับออดีนะแล้วทีนี้รู้สึกว่าเบิกบานอยู่หลายวันอยู่ครับดีดี เวลาจิตมันเกิดปัญญาน้ําจะมีความสุขนะเบิกบานแต่ไม่เกินเจวันหรอกนะประมาณนั้นใช้ได้อย่าไปเชื่อมานเห็นไหมกลกระใจเป็นคนละอันดูออกไหมดูออกครับเออนะธาตุขันก็แยกแล้วถ้าธาตุขันแยกได้ก็ดูธาตุขันมันทำงานใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆไม่เข้าไปแทรกแซงมันนะแล้วถ้าใจมันยินดียินร้ายให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันมันจะเข้าไปแทรกแซง ใจหนีไปคิดหรือยังครับเออหนีไปคิดให้รู้ทันนะไม่ว่ามันหรอกไปทำต่อนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วละดีผมต้องดูอะไรเป็นพิเศษบ้างครับทำอย่างที่ทำนี่แหละนะจิตก้าวหน้าแล้วขันก็แยกและดีขอถวายการปฏิบัติต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และหลวงพ่อประโมทุสาทุจะทำจนกว่าลมาใจสุดท้ายฟูอย่างนี้ต้องวางแก้วก่อน สาธุต้องเอาให้ได้นะอยอมเลยนะไม่กินน้ำเลยเนี่ยไม่มีอะไรนะปลื้มใจเท่าลูกศิษย์ภาวนานะเวลาเห็นลูกศิษย์ภาวนาดีๆนะปลื้มใจก่อนมสการหลวงพ่อครับผมมีคำถามที่จะถามหลวงพ่ออยู่สองข้อครับข้อแรกก็คือว่า หลวงพ่อเคยแนะนำให้ไปดูตัวจิตไม่ตั้งมั่นก็ดูมาหลายปีแล้วครับหลวงพ่อแล้วก็มันก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ตั้งมั่นดีพอจะไม่ตั้งมั่นเลยก็ได้จะไปกังวลอย่างนั้นมันตั้งมั่นแล้วล่ะมันตั้งบ้างไม่ตั้งบ้างมันไม่ตั้งได้ตลอดเราเราไม่ใช่ผ้านาคามีเข้าใจว่าถ้าไม่ทั้งมั่นเพียงพอแล้วเราจะไม่เห็นใจรักเราอตั้งมั่นเป็นขณะขะ ตังมั่นชั่วแว บ, บ่็เห็นใส่รักไปตอนนั้นแหละนะความควรสังเกตไหมจิตเดี๋ยวนี้ก็แต่ก่อนไม่เหมือนกันครับใช่ครับนะเออนั่แหละมันพอนาเป็นนะมันรู้สึกไห้โลกมัญหาออกไปนะผมรู้สึกแต่ว่าความที่ตัวเองเป็นโทสะเฉลดนี่มันมันลดน้อยลงไปพอสมควรครับนั่นแหละนะมันก้าวหน้าขึ้นแล้วกิเลสมันย้อมเรายากขึ้นนะสังเกตไปเรื่อยนะกิเลสก็ส่วนกิเลสจิตก็ส่วนจิตร่างกายก็ส่วนร่างกายะ ต่างคนต่างทํางานของคุณมันแยกขันได้แล้วละ่ะพี่ตัวครับส่วนข้อสองนะครับหลวงพ่อเนื่องจากว่าตอนนี้ตัวเองเออริลิทายมาแล้วเพราะฉะนั้นก็มีเวลาเยอะพอสมควรในการที่จะมาปฏิบัติก็คือความตั้งใจที่เออริลก็คืออยากมีเวลาอืเพราะว่ามันเวลาของการทํางานมันยุ่งมากอืทีนี้พอพอพอออกมานะครับพอออกมาแล้วก็ ช่วงสามเดือนแรกสี่เดือนแรกนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรอ mm hmm. เข้าใจว่าความที่คิดจะมาปฏิบัติธรรมภาวนามันยังมีเยอะอยู่พอหลังจากนั้นเดือนที่ห้าเดือนที่หเดือนที่เจ็ดนี่เรารู้สึกว่าความที่จิตมันคุ้นชินอยู่กับคนทีนี้ยิ่งยิ่ ง, งครอบครัวก็ต้องไปอยู่กรุงเทพเหรือเราคนเดียวที่อยู่อยู่ที่นี่เพราะนั้นทัวันทั้งวันเราก็จะอยู่คนเดียว mm hmm. ยกเว้นว่าสุสปดาเขาต้งจะมาอื mm hmm. มันก็หลายสัปดาห์มานี้มันมีความรู้สึกว่าจิตใจนี้มันไม่มีกำลังครับโดยเฉพาะตอนตอนกลางคืนและตอนตอนที่เข้านอนแล้วมันมีจิตใจมันหนักแล้วก็มันมันมีโทสะเยอะเราพยายามเริ่มต้นด้วยการดูจิตดูไม่ได้กายก็ดูไม่ได้ทำสมถะก็สงบยากมากครับอาจารย์กว่าที่ที่มันจะหลับในแต่ละคืน ทีนี้ก็เลยดูอยู่หลายหลายหลา ย, ลายทิศ ก, ก็แก้ปัญหาไม่ตกก็เลยอยากจะมาเรียนถามทนายจานว่าช่วยช่วยมีอะไรชีนะด้วยครับมันไม่ใช่ของเราหรอกนะพยายามดูไปเรื่อยความรู้สึกทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอย่าไปปฏิเสธมันนะดังนั้นจิตจะเป็นยังไงก็ อ, อย่าไปปฏิเสธมันสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะสวดมนต์ไปเรื่อย ใจจิตจะได้มีพลังที่ที่ผมทําอยู่หลังจากที่เ อ, อิร์ลี่มานี่ก็คื อ, อ, อตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นจะสวดมนต์นะครับแล้วก็ตอนเช้าจะทํากิจวุระของตัวเองในช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายนี่ก็จะพยายามที่จะไปไปวัดไปภาวนาในรูปแบบครับก็ ก, ก็ก็หลายชั่วโมงบางครั้งบางวันนะครับก็ผมไม่ทรบันเยอะเกินไปหรืมันน้อยกันไปคืออยาให้มันเคลื่อเคลื่อนนนะ ให้มันเครียดนัดภาวนาสบายๆทำใจสบายอย่ารีบร้อนว่าจะเอาอะไรถ้าอยากได้อะไรมันยิ่งไม่ได้นะแต่ว่าภาวนาเป็นพุทธบูชาไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันนะให้ได้ภาวนาแล้วดีที่สุดแล้วล่ะถ้าวางใจอย่าง น, นี้ไปง่ายเนั้นใจใจมันเร่าร้อนขึ้นมามันอยากผ่านเร็วๆนะครับคือปัจจุบันนี้ก่อนภาวนาก็จะอธิษฐานว่าเป็นพุทธบูชาแล้วก็ อาจารย์ยะบูชาให้หลวงพ่อด้วยครับโอ้หลวงพ่อสบายแล้วรุกสิทธิ์ภาวนาให้ดีครับขอบพระคุณครับหลวงพอ่ออย่าใจร้อนนะแล้วไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นเนีความรู้สึกทั้งหลายนะบางทีก็ปรุงจากข้างในบางทีก็มาจากข้างนอกแต่ว่าเท่าเทียมกันคือพอเราก็แค่รู้แค่เห็นรู้ด้วยใจที่เป็นกลางถ้าใจไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางเท่านั้นแหละ แล้วก็ทุกวันก็ให้ใจมันมีเครื่องอยู่จะอยู่กับบทสวดมอนต์อยู่กับอะไรก็ได้สวดไปเรื่อยๆสวดเล่นๆไปทั้งวันแั้วก็คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆหลวงพ่อครับส่วนที่ผม ท, ที่ที่ว่าบางบางบางวันนี้ขอขอพิ่ีก น, นิดเดียวครับบางวันที่มันนอนไม่หลับมันมันดึกมากนะครับบางทีกท็เที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งกว่าซึ่งครั้งสุดท้ายนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่า มันไม่หลับก็ชังมันละกัน oh. ขอดูขอภาวนาละกันเ uh. ผมผ ม, ผมก็คงจะทําอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละทาถูกแล้วหลวงพ่อนีถ้าไม่หลับของพ่ไม่เคยเดือดร้อนเลยนะไม่หลับก็เรื่องของมันนี่แล้วไม่ใช่เรื่องของเรานะเ อ, อแล้วก็นอนดูของเราไปสบายใ น, นสว่างใจเราก็อยู่กับความสว่างความว่างนะพักผ่อนแล้วนะร่างกายมันก็นอนของมันบางทีมันนอนกล่นด้วยนะเรานึกว่ามันไม่หลับนะ ที่จริงจิตมันมีแรงมากมันจิตมันไม่หลับหรอกร่างกายมันหลับนะบางทีหลวงพ่อครับถ้าเราจะขอไปอย่างเปิดดูทีวี ด, ดูนอดดูนี่ให้มันมันสนุกสนานนี่มันผิดหรือถูกครับไม่ถูกหรอกนะถ้าถือศีลแปดคือคืออย่าหนีมันเลยหนีมันแล้วจะยิ่งอ่อนแอนนอนถือว่าเป็นบุญแล้วคืนเนี้ได้ภาวนาทั้งคืนแล้วะทําใจอย่างนี้นะทําใจให้ร่าเริงไปแล้วภาวนาไปเลย พ่าเราไม่ได้ทำาหากินอะไรแล้วนี่กลางวันเราจะงเหนื่อยมากเรายิงีบซะหน่อยก็ยังได้เลยกลางคืนมันไม่นอนเราก็ได้พอนาโต้รุ่งสนุกออกนะขอบพระคุณครับกราวนำ้ำมัศการคะ่ะอาจารย์วันนี้มาส่งกันบ้านคะ่ะหลังจากที่ไม่ได้ส่งกันบ้านมาเกือบปีนะคะครั้งก่อนออครั้งก่อนหน้าเมื่อปีที่แล้วอะคะ่ะอาจารย์ได้ให้กันบ้านไว้ซึ่งหนูก็ ปฏิบัตินะคะอาจารย์ถามว่า เ, ออเวลาที่รู้สึกไม่เป็นกลางกับอารมณ์รู้ไหมหนูก็พยายามไปทำมาค่ะพอพอรู้ว่าไม่เป็นกลางมันก็เริ่มจะเป็นกลางเข้ามามมหลังจากนั้นหนูก็ทำไปเรื่อยๆะคะ่ะเริ่มเห็นว่าอารมณ์ต่างๆอะคะ่ะ มันอยู่ๆมันก็ผุดขึ้นมา mm hmm. แล้วมันก็หรือไปกระทบอารมณ์ภายนอก mm hmm. แล้วมันก็เกิดขึ้นมาใช่หนูก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่อารมณ์ของหนูอะคะ่ะมันเกิดขึ้นมาเองเออมันเกิดเองค่ะแต่ว่าหลายๆครั้งเมื่อต้องไปพูดแสดงความเห็นมันยังรู้สึกว่าตัวตนมัน มันยังแนบติดอยู่กับใจอะค่ะดีที่เห็นนะไม่เป็นปัญหาหรอกรู้ทันไปเรื่อยๆจากนี้ไปทำเหมือนเดิมต่อใช่ไหมเจ้าค่ะนนสังเกตไหมว่าเราพัฒนาขึ้นแล้วเจ้าค่ะดีขึ้นแล้วล่ะเมื่อพัฒนาขึ้นแสดงว่าที่ทำมาใช้ได้นะไปทำอีกเจ้าค่ะอยากให้หลวงพ่อเมตตาแนะนำลูกสาวนิดนึงค่ะ ลูกสาวลูกสาวนั่งติดกันค่ะจะแปดขวดแล้วเจ้าค่ะแลลูกสาวอยากเรียนหรือเปล่าอยากเรียนไหมอยากเรียนไหมคะเขาเคินเจ้าค่ะเคิแล้วแม่ไปสอนให้ไปเจ้าค่ะให้ฟังซีดีหลวงพ่อให้ฟังเล่นๆนะเด็กเล็กๆฟังแป๊บเดียวเ็เป็นละมรสการเจ้าค่ะยมยมปฏิบัติเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อยมบริกรรมนะเจ้าค่ะ แล้วก็เห็นตัวหลงเยอะมากแล้ว oh. ภายใต้ตัวหลงก็พบรอบ mm hmm. โกรธแล้วก็ตันหาเยอะนะคะ mm hmm. ตอนนี้ระหว่างที่บริกรรมเนี้ยบางครั้งยมเห็นแสงสว่าง mm hmm. ขึ้นมานะเจ้าคะ mm hmm. แต่ก็ไม่เคยฟังหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ตามเข้าไป mm hmm. ก็เลยเฉยเฉย อ่าถูกแล้วใช่มเ้าคะตอนนี้ถอนถอ น, ถ อ, นออกมาต้องถอนออกมาไหมเจ้าคะไม่เราเห็นแสงสว่างแล้วเราก็เหมือนเห็นโลบโกรดลงเหมือนเห็นสภาวะทำอะไรอย่างหนึ่งปกาิปติ<อ>นะถ้าจิตเราเป็นไงเราก็รู้ทันเหมือนกับสภาวะ <bidding. S 2> อันหนึ่งเท่านั้นเองก็บริกรรมต่อไปใช่ใชเจ <but S 2> <Rabbi. S 1> ้าคะ ม, มีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จิตมันบอกอกอกมาว่าเนี่ยกายเราก็นั่งอยู่อจิตเราก็บริกรรมอยู่อ แล้วเราอยู่ตรงไหนกอนะมันเริ่มตั้งคําถามดีก็ตกใจตัวเราไม่มีหรอกแล้วเราอยู่ตรงไหนเอ้แล้วตัวเองตกใจก็แล้วทําไงดีก็บริกรรมต่อเอถูกต้องถูกไหมเจ้าคะถูกทําอะไรไม่ได้บริกรรมไว้เจแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะใช่ทําถูกแล้วล่ะสังเกตไหมว่าเรามีพัฒนาแล้ว ใจเราเดี๋ยวนี้ก็แต่ก่อนไม่เหมือนกันดีดีกว่ามากเจ้าค่ ะ, <น>ะได้ทำอีกทํำแต่เห็นความเลวของตัวเองเยอะมากตลอดเวลาดีที่เห็นนะคนคะทั่วไปมันก็เลวนะแต่ไม่เคยเห็น เ, รเพราะฉะนั้นเลวนิรันค่ะในความฟุ้งซ่านนั้นก็ล้วนแต่โลภล้วนแต่โกรธล้วนแต่อะไรเยอะแยะไปหมดเจ้าค่ะแต่ก็ดับลงได้นะเราไม่ได้ดูให้ดับหรอกนะเขาดับเพราะที่ดู เขาดับให้ดูเองเลยเขาดับให้ดูเองเจ้าค่ะปฏัตนวัตสการหลวงพ่อขอโทษไอ้กุศลให้หลวงพ่อแล้วบิดามันดาเจ้าค่ะสาธุสาธุวันนี้ร่ำรวยมากเลยลูกสิษย์ภนาให้นวัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูรู้สึกมันเฉยเฉยไม่ได้ส่งกันบ้านมานานขอคำแนะนำหลวงพ่อด้วยค่ะสังเกตดูที่ใจนะ เวลาโทสะอะไรเกิดขึ้นะเราก็รู้ทันมันนะเห็นบ่อยไหมโทสะโทสะบ่อยมากนะนั่นแหละตัวนั้นมันขึ้นมาบ่อยนะแล้วเราก็คอยรู้เอามันขึ้นอยู่เรื่อยๆพอคิดเรื่องนี้ก็โทสะขึ้นคิดเรื่องนี้ดูไปนะดูในแง่ที่ว่ามันขึ้นเองนะเราบังคับมันไม่ได้หรอกจริงๆหนูก็ไม่อยากให้มันมีอะคะ่ะ น, นันแหละอยากไม่อยากมันก็จะมาคงนะั้วเราดูไปในแง่ของความเป็นอนัตตาไม่เป็นไปตามอยากนะ ที่หลวงพ่อสอนเนี่ยสอนให้ดูโทสะในแง่ของความเป็นอนัตตาไม่เป็นอย่างที่เราอยากหรอกมันขึ้นมาเองเนี่ยไปดูตัวนี้บ่อยๆนะกราบน้ำส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะค่ะหนูก็เคยมาที่นี่แล้วก็เคยมาส่งการบ้านทีนี้ว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยหนูก็สมาทานศินห้านะคะทุกวันแล้วก็ในช่วงเข้าพรรษานี่ก็ตั้งใจสมาทานศินแปสาธุ แล้วก็คือคือไปทานข้าวตอนช่วงสิบเอ็ดงึนะเจ้าค่ะแล้วก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็หนูเห็นว่ารู้สึกว่าฟุ้งซ่านในธรรมเยอะค่ะบางทีเราชอบฟังธรรมะแล้วก็จะฟังหลายๆครูบาอาจารย์อย่างฟังของพ่อก็ฟังนะคะแล้วก็ปฏิบัติก็คือในรูปแบบก็คือ ทำสร้างจังหวะนะเจ้าค่ะแล้วก็บางทีก็มันเยอะไปเนาะคือภาวนานะเอาอะไรสักอันให้มันสบายสบายแล้วก็ดูกายดูใจแล้วหวังว่ารู้อะไรแล้วสติเกิดบ่อยเอาอันนั้นแหละเจ้าค่ะแล้วก็เลิกศึกษาเปรียบเทียบดูของจริงเจ้าค่ะดูของจริงในกายในใจนี้ดูเห็นกายเห็นใจเขาแสดงใจลักษ์เขาทำงานของเขาเองตัวอย่างนี้บ่อยๆนะเจ้าค่ะแล้วไม่พูดธรรมะ ไ ม, ไม่จําเป็น่ะไปพูดธรรมะดูดูของเราเองก็ที่หนูปฏิบัติมานี่ต้องแก้ไขตรงไหนเจ้าค่ะใจมันยังฟุ้งอยู่เจ้าค่ะมันฟุ้งในธรรมะเลยนี่เราคอยรู้ทันไปหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่แล้วก็รู้ทันจิตไปจิตหนีไปเราก็รู้จิตหนีไปแล้วรู้ไนะม่ง้จิตจะฟุ้งไปเจ้าค่ะหลานมาสึก นมัสการครับหลวงพ่อคืออยากถามตรงวิหารธรรมอะครับที่ทำอยู่อย่างเนี้ยครับก็คือเออถ้าใช้กายอย่ไปเพ่งมันอย่าไปจ้องจนกระทั่งใจมันนิ่งนะแค่เห็นร่างกายมันทำงานไปใจเราเป็นคนดูสบายๆช่วงนี้รู้สึกว่ามันมองไม่ไมเห็นกิเลสนะครับรู้สึก<อ>มันมองไม่เห็นกิเลสนะดูไม่ออกดูกายไปเห็นร่างกายมันนั่งอยู่เห็นร่างกายมันหายใจอยู่นะ ใจเราเป็นคนดูถ้าดูร่างกายก็ไม่ออกครานี่ก็พุโทโธไปหายใจไปอะไรก็เอาทําสมถะนะถ้ามีกําลังพอก็ดูจิตไปดูจิตไม่รู้เรื่องก็ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ ก, ไไดก็ทําสมถะนะใช้หลักอย่างนี้คือคือเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าคือตอนนี้คือเรากําลังอยู่ในร่องี้รอยหรือเปล่าครับโอ้ยถ้าเดินอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่อยู่ในร่องรอยนะ ดูจิตได้ก็ดูดูจิตไม่ออกก็ดูกายนี่อยู่ในร่องรอยทั้งนั้นเลยดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถาก็ยังอยู่ในร่องรอยไม่ทําอะไรเลยก็ไม่อยู่ในร่องรอยแลย้วครั บ, รบสังเกตดูที่ใจตอนนี้ใจเป็นธรรมดาไหมหรือใจมันแน่นกว่าธรรมดาแน่นเห็นไหมอันนี้เริ่มรู้ทนะันแล้วแน่นรู้นะอย่าไปบังคับมันจิตแอบไปคิดไหม ก็คิดครับแต่ว่าอันนี้มันจําด้วยสัญญาครับออนะคอยหัดหัดรู้สึกหัดรู้ความรู้สึกไปคอยรู้ความรู้สึกที่กําลังเกิดขึ้นสด ส, ดสดร้อนๆในใจเรานะหัดรู้ความรู้สึกไปกับนําบัญญการพระอาจารย์ครับกับผมก็เคยได้ปฏิบัติมาเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะปฏิบัติตามรูปแบบตามพระอาจารย์ ในซีดีของหลวงพ่อนะครับแต่ส ว, มมมว ด, นะดนสมนต์ประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าดีนะดีเนั่งสมาธิประมาณสิบห้านาทีกว่ากว่าโดยจรงกรมนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับโอ้ดีนะแต่รู้สึกว่ามันหลงบ่อยแล้วก็ทำอย่างไรจะมาให้มันหลงบ่อยนะครับโดยอายุนะธรรมชาติเลยเพออายุเกินห้าสิบแล้วเนี่ยมันจะหลงง่ายคือสมองเนี่ยมันเริ่มเสื่อมลง นี้ถ้าเราจะดูจิตดูใจอย่างเดียวเนี่ยดูไม่ทันนะมันเสียหลงเดาพยายามรู้สึกในร่างกายบ่อยๆเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆโนะดยที่ใจเราเป็นคนดูอยู่ต่หากนะเห็นร่างกายเป็นหายใจเห็นร่างกายเป็นเดินใจเป็นคนดูฝึกนี้บ่อยๆแล้วมันจะก้าวหน้าตมามาบวชนะกว่าจะได้บวชอายุ48ขนาดภาวนาะมาแต่เด็กนะ พอนั่งๆั่งไปมันเคลิ้มได้เหมือนกันนะพอเหนื่อยเหนืยเนี่นั่งแล้วเคลิม้มโอ้อย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องเอากายมาช่วยมีพัดอยู่อันหนึ่งนะนั่งพัดอย่างเงี้ยพัดเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกแม่พัดไปเลยเย็นสบายสบายใจแล้วดูจิตออกแล้วนะหรือหนาหนาวเนี่ยพัดแล้วก็โอ้น่ากลัวนะเห็นใจมันกลัวกลัวความหนานะวอะไรก็ดูจิตออก แต่ถ้าเราไม่มีอะไรไม่เอาร่างกายมาเป็นเครื่องอยู่เลยเนี่ยเวลาใจไหลไปคิดนะ่จะเผลอไปยาวนะยำรู้สึกร่างกายมากๆหน่อยนะกราบนะมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ก็โยมก็ปฏิบัติโดยการพุโทโธแล้วก็เดินจงกรมค่ะขยับเวลาขยับร่างกายก็พยายามรู้สึกอะค่ะก็เห็นทุกบ่อยเห็นเกือบตลอดมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยเ อ, อ่อบางทีก็เป็นผู้เห็นบางทีก็ทุกไปซะเองแต่ว่าไม่ค่อยเห็นอ น, นิจจังอะค่ะเห็นแต่เรื่องทุกอะค่ะอยากกลับขอคําแนะนําหลวงพ่อเป็นทุกทก็ได้แล้วล่ะนะอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาได้ทั้งนั้นแหละ สังเกตไหมเราเห็นทุกเห็นทุกเราพอใจด้วยนะไม่พอใจค่ะมันภูมิใจว่าเห็นนะาอ๋อมันภูมิใจไม่ไม่พอใจทุกข์แต่มันภูมิใจนะแน่ไว้เห็นน้อยให้เหตุตรงนี้นะคะใช่ะตัวนี้มันซ่อนอยู่ค่ะได้ค่ะกลับขอบคุณอ้านมัสการหลวงพ่อค่ะว่าไงจิตถึงบ้านไหมจิตหนีจากบ้านไป คือจิตมันไปคิดเรื่องการจากตายแล้วก็เกิดอะค่ะโอ้น่าหน้าจิตมันหนีบ้านไปแล้วมันสลดใจมากเลยค่ะน่าความสลดมันครอบงําจิตไหมค่ะอย่าให้มันครอบนะคือมันจนมันมันดูไม่ได้เลยค่ะพอดูแล้วมันก็ยิ่งสลดเศร้ามาความเศ<ล>ร้านี่ครอบงําจิตเราต้องค่อยๆดูไปให้เห็นว่าความเศร้ากับจิตน่าครละอันกันนะอย่าไปคิดเดยอะรู้สึกเอาเห็นไหมร่างกายยิ้ม เนี่ยรู้สึกเอานะเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะค่ะไม่งั้นเดี๋ยวความรู้สึกเศร้าเนี่ยครอบงําจิตนะไม่ดีหรอกถูกความรู้สึกครอบงํามันเหมือนพวกผู้หญิงทั่วๆไปนะชอบคิดเรื่องเศร้าๆแล้วความเศร้าครอบงําอยู่นะแนละ้วแสบๆนะชอบนะบางคนชอบอ่ะนะไม่ดีหรอกแล้วต้องทําอะไรเพิ่มบ้างะคะดูกายไงของหนูต้องดูกายนะ <C> e จริงๆเป็นคนรักสวยรักงามรักสุขรักสบายนะดูกายให้มากๆนี่พอมันเริ่มเห็นว่าโอ้กายนี้ไม่แน่นอนนะแปรปรวนนะใจมันสลดเลยนะมันเศร้า <c> มันเสียดายกายมันหวงให้รู้ทันเอาว่าความเศร้าโศกครอบงําใจเราก็ดูแบบเราเป็นแค่คนดูความเศร้าโศกอยู่ต่หากใจเราอยู่ต่หากรู้สึกร่างกายให้เยอะขึ้นค <c> เพราะฉะนั้นเวลาเศร้าๆขึ้นมานะอย่าไปสนใจเรื่องเศร้าว่าจะแก้ยังไงนะดูร่างกายเลยเดี๋ยวมันก็หายเศร้าแล้วเพราะร่างกายไม่เคยเศร้าเลยนะขอบคุณค่ะกลาวหลวงพ่อครับพอมันมีตัวผู้รู้เกิดขึ้นมันก็มีเราเข้าไปจับอย่างเงี้ยครับอพอจับแล้วมันรู้สึกว่าตัวเองเก่งออแล้วก็ดีพอเสร็จแล้วมันมันก็น้อมไปใส่ ใตรักลงใจรักนะครับผมถือว่าไปแทรกแซงแล้วครับแบบนี้แทรกแสงไปก่อนไม่เป็นไรคล้ายๆสอนมันสอนใจรักใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้สาธุครับนมัสการค่ะภาวนาไปนะสบายค่อยๆทําไปสบายนมัสการค่ะไม่ได้ส่งการบ้านมา9เดือนแล้วอะค่ะก็ใช้ได้หรอก็ตอนนี้รู้สึกว่าพบทางตัวเองโดยการเดินรงกลมอะค่ะดีเดินไปนะ เดินไปแล้วกายกับใจก็แยกกันนั่นแหละที่ทําอยู่ถูกแล้วละถูกแล้วนะคะถูกเป๊ะเลยโอเคค่ะทีนี้ตอนนี้ลาออกแล้วค่ะหลวงพอ่อแล้วก็คิดว่าจะตั้งใจปฏิบัติกับสามีมก็คือเป็นกัลยาณมิตรกันนะคะก็เลยอ๋อข้าวช่วยหลวงพ่อตกใจชี้ไปคนนี้ฮะ <c oughs> นี่มันผู้หญิงนี่หว่านี่ค่ะหลวงพอ่อพ <c oughs> อดีเพิ่งไปบวชมาเมื่อต้นปีแล้วก็ ก็เลยเข้าใจในธรรมะแล้วก็ศรัทธาแล้วก็พยายามปฏิบัติให้ถึงที่สุดอะค่ะหลวงพ่อก็ขอคําแนะนำนะคะอย่าคาดหวังนะว่าเมื่อไหร่จะได้อะไรเงี้ยแค่แค่ว่าตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติทั้งชาติเลยเป็นพุทธบูชาถ้าเราหวังผลนั้นจะช้าค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อครับช่วงนี้ผมปฏิบัติแล้วเหมือนว่าเห็นว่าอะไรมันกระทบนิดหน่อยเนี่ยมันกระเทือนเร็วมากแล้วก็ ความทุกข์มันเกิดได้ง่ายๆนะครับดูไปใจมันจะขี้อ้อนอะไรเงี้ยนะรู้ทันมันแล้วทีนี้บางทีเนี่ยมันเหมือนก็ว่าเรารู้ทุกข์ได้แต่ว่าพอรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเห็นทุกข์เยอะเนี่ยใจมันก็ไม่รับนะครับเออนะใจมันชักโอ้แย่แล้วแย่แล้วนะแล้วมันก็แบบเหมือนอยากจะแก้ไขนะครับแต่ว่ายิ่งแก้เนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์หนักนะครับตรงเนี้ยถ้าเวลาเราเดินปัญญามากนะแล้วความรู้สึกครอบงามากแก้ไม่ตกก็ทําสมถะบ้างครับพุทโธพุทโธไปครับ เดินเป็นยารวดไปเลยไม่ดีครับแล้วพอผมแบบว่ามันทุกข์หนักกับผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วทีนี้เหมือนใจบอกว่ามันไม่ไหวแล้วครับบอกว่าอย่างนั้นไม่เอาแล้วผมก็เลยบอกว่าเอาแบบเล่นๆเน่ยนะครับทําเล่นๆแล้วใจมันก็เลยคลายอย่างเงี้ยนะครับต้องทําเล่นๆอ่ะครับอันนี้มันเหมือนกับว่าวงจรนี้มันเหมือนกับว่ามันเกิดไปมันวนเวียนอย่างเงี้ยครมันไม่ทราบว่ามันจะต้องแต่บัติจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ละคนนะมันจะมีวงรอบของมันนะ เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเนี่ยครัช่วงเวลาไม่เท่ากันอย่างหลวงพ่อตอนที่หัดภาวนาเนี่ยเจ็ดวันระหว่างเจริญที่สุดจนเสื่อมที่สุดเนี่ยเจ็ดวันรอบหนึ่งเนี่ยครพอเสื่อมแล้วก็ทําไปก็เจริญสามวันเจริญแล้วก็เสื่อมลงมาสุดขีดเลยละเจ็ดวันป็ดรอบมันนะว่ามันไม่ได้หรอกมันสอนธรรมะเราครับปัญหาอยู่ที่ใจไม่เป็นกลางต่างครับนะ ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางครับแล้วถ้าเดินปัญญารวดไปมันเหนื่อยมากก็ทําสมาธบ้างพุทโธพุทโธไปครับนะขอบคุณครับของคุณก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะแต่ใจมันขี้อ้อนมันโอ้แย่แล้วแย่แล้วนะนะผู้ชายขี้ออนก็มีนะผู้หญิงบางคนชอบเดินผู้ชายขี้อ้อนเพราะผู้หญิงเดี๋ยวนี้เข้มแข็งอะกลับนลวงพ่อค่ะรู้สึก เพลอไปเยอะๆบ่อยๆค่ะเผลอไปก็หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ก็อยู่กับพุทโธอยู่อะไรอยู่สบายๆนะต้องอยู่เล่นๆถ้าอยู่เอาจริงเอาจังเดี๋ยวเครียดกลับไปเพ่งหูแว่วอีกแล้วยอมควรทําไงต่อไปคะหลวงพ่อทำให้สบายทําสบายๆนะให้รีแลกช์ให้ผ่อนคลายถึงจะดีกลับขอบคุณใช่ไหมถ้าหมดแล้วล่ะชิญกลับบ้าน